อาจารย์ครับการมัสการครับอาจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้พระอาจารย์มีตาบาดคนไปใส่เยอะหรือปกติครับอาจารย์ครับก็ปกติพระมาณามร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยเนี่ยครับผมแล้วก็ทางบ้านก็สองร้อยไหมครับอาจารย์ถึงไหมครับถึงถึงสองร้อยกว่าครับผม แล้วตอนบ่ายล่ะคะพระอาจารย์แสดงธรรมวันนี้คนแน่นไหมครับ ป, ประมาณน้อยเจ็ดสิบคนก็ปกติวันเ้าร์ที่ก็รวมกันก็เก้าร้อยกว่าครับรวมทั้งที่ทางบ้านที่ติดตามทางทางโซเชียลต่างๆครับวันหนึ่งพระอาจารย์โปรดคนได้เยอะมากเลยนะครับหลายพันเลยนะครับพระอาจารย์ก็ดีที่อาศัยนี่ ยูคนี้เราไปซื่อที่ที่มีคนมีประโยชน์ครับตอนนี้ก็เกือบเกือพันคนครับอาจารย์ครับอืมอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องนั่งสมาธิครับเพราะว่าตอนนี้คนบอกว่าจิตใจวิตบุนบายวิต ก, กังวนเดือดรนั่งสมาธิไม่สงบครับจะ ก, กล่าวขอปัญญาพระอาจารย์ครับว่าทํายังไงให้สงบนะครับรอตอนนี้เขอยากจะแปลความหมายของคําว่าสติกับสมาธิก่อน เขมักจะใช้กันสับสนทางโลกมักจะใช้คำสมาธิแทนสติเช่นวันนี้ไม่มีสมาธิทํางานเลยไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยความจริงมันต้องใช้คําว่าสติทําในการทํางานและสติ อ, นน อ, อ่านหนังสือเพราะคําว่าสติแปลว่าการระลึกรู้องระลึกรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นระลึกเรื่องอยู่กับงานที่เราทํา เรา อ, อ, อยู่กับการอ่านหนังสือส่วนสมาธินี้แปลว่าความสงบนิ่งตั้งมั่นของจิตซึ่งคําว่าสมาธินี้สําหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติจ ะ, จะเข้าไม่ถึงกันดังนั้นาจะเอาค ำ, คำสมาธิมาใช้แทนคำว่าสติพราะบางที่พูดถึงเรื่องสมาธิก็เลยชื่อว่าแล้ก็มีบางวันแล้วก็มีสมาธิบางวันแล้วก็ไม่มีสมาธิ อันนี้เป็นความหมายว่าเป็นสติมากกว่าถล้วก็สตินี้แหละเป็นเหตุที่จะทําให้สมาธิเกิดขึ้นมาได้สติก็คือการเลิกเล่น อ, อยู่กับอารมณ์อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้ เาหน้าสมาธิเราต้องการหยุดความคิดเพื่อให้จิตนิ่งสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาต้องมีสติคอยกับกลับใจให้อยู่กับกรรมิฐานเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติมีสติอยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าดูกลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนาสติมีสติอยู่กับการอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก ต้องเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรผูกใจไว้ถ้าไม่มีอะไรผูกใจไว้ใจจะลอยหรือถ้าไม่มีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจใจมันก็จะไปกับกระแสของความคิดที่ไหลมาอยู่ตลอดเวลาเะนั้นวิธีั่งสมาธิให้เกิดผลต้องมีต้องไปเจริญสติก่อนที่จะมาทั้ถ้าไม่มาไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สามารถ ควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐานได้อยู่ได้แค่สองสามวินาทีก็ไปนะเชื่อกขาดถ้าเปรียบเทียบก็ถ้าเปรียบเทียบจิตก็เหมือนกับลิงตัวหนึ่งส่วนสติก็เป็นเหมือนเชือกที่เราจะเอามารัด ผ, ผูกที่ตัวลิงด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ไปผูกกับเสาเสาก็คือกรรมฐานถ้าเราไม่ต้องการให้ลิงไปเพ่นพลาดไป ไปทำอะไรต่างๆอย่าให้มันอยู่กับที่เราก็ต้องมีเชือกผูกหนึ่งไว้แล้วก็ด้านหนึ่งก็ไปผูกไว้กับเสาที่แข็งแรงที่ปัญหาก็คือเชือกที่เราบอกผูกหนึ่งนี่มันเป็นเชือกกล้วยมันไม่มีกำลังที่จะสู้แรงกระแทกของหนึ่งได้เอาผูกมันปป๊บเดียวมันก็กระตกที่อยู่ก็ขาดงนั้น หน้าที่ของเราตอนนี้นี่คือพยายามทำเชื่อบที่เราผูกหนึ่งดยให้มันแข็งแรงขึ้นใันกลายเป็นเชือกเชือกไนร่อนหรือเชือมเชื่อเป็นเหล็กไปได้ก็ยิงดีเป็นโลหะได้แล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะตกให้ขาดได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะจัดระสติให้มีกำลังมาก ถ้าเราต้องการจะนั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาทั้งทังทงปฏิบัติเราก็ต้องจะมนสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาหลับทั้งหมดเปิตาขึ้นมาหน้าที่ของหน้าปฏิบัติหน้าที่แรกก็คือกาจรจารสติผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานใดอันใดอันหนึ่งที่ที่เหมาะกับเรา ส่วนใหญ่เราจะใช้คําป็าคำพุทโธเพราะเราสามารถใช้ได้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปลุกขึ้นจากเตียงเดินไปอาน้ําอับถ้าทําทอะไรก็พุทโธพุทโธไปซึ่งปกติเราจะไม่ใช้พุทโธกันเย้ยเราจะคิดว่าวันนี้วันอะไรจะไปทำอะไรที่ไหนกับใครเมื่อไหร่สแสดงว่าไม่มีสติอีกวิธีห น, นึ่ก็คือให้ผูกไว้กับร่างกายก็ได้ให้ร่างกายเป็นเสา ยึดเหนี่ยวใจให้เฝ้าด <Yeah. S 1> ูว่าร่างกายกำลัง like ท <th 1960> ําอะไรอยู่ในทุกกิริยาบทลุกขึ้นยืนกรู้ว่ากำลังลุกขึ้นยืนกำลังอะไรก็รู้่าเดินกำลังกําลังอาบน้ำก็รู้ก่ากลังอาบน้ําอยู่กับการกระทําของร่างกายทุกทุกขั้นตอนทุกเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องอยู่กับแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็อยู่กับรับประทานอาหาร คือไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นซึ่งไปทางโลกยอมเป็นไปไม่ได้เพราะทางโลกนี้มีภารกิจการทาม า, านเกินเยอะจะต้องใช้เวลาใช้ความคิดเตรียมตัวกอบการไปทํางานทําการในขณะที่เตรียมตัวทางร่างกายไปใจก็เตรียมตัวเรื่องงานไปวันนี้จะไปพบปะกับใครจะต้องมีงานจะต้องทําบ้างก็คิดอยู่ตลอดเวลาดงนั้นสำหรับผู้ที่มีงานทําทํานอยู่นี่จะยากกับการนั่งสมาธิ ที่จะได้ผลถึงการนั่งสมาธิยิ่งเหมาะกับผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่ตกงาน่ะผู้ที่ไม่มีงานทําำก็จะได้มีเวลาให้กับการจดันสติได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ในขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายคนที่มาบวชแล้วคนที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมทั้งที่ไม่มีงานอะไรต้องทำงานดินก็ยังอดใจเพิ่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ จะผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานแม้ตลอดเวลานี้ยมันยากแสนยากแต่ก็เป็นสิ่งต้องที่ต้องทำํำในเวลามานั่งสมาธิมันก็จะได้ไม่ลอยไปลอยมาแล้วมันมันจะเข้าสู่ความสงบได้อ่ามันอยู่ที่สติครับถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่ไม่มีวันมีสงบได้อยู่กับลมได้สองสามวินาทีครัไปคิดเรื่องนั้นเร่องนี้นะ ทีอยู่พุทธนะได้สองสามนาทีก็ไม่คิดเรื่องนะั้นหนึ่งทีนะก่อจะรู้สึกแต ว, ว่าเผลอก็มางทีคิดไปทั้งสองสามนาะทีแล้วไม่กลับมาใหม่อันด่วนใหม่ของที่นานกว่านั้นก็มีมีเอผลอเป็นนาทีนะก็มหีหลายนาทีน่ะก็มีวันนี้นั่งไปสักพักก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาต่างความคิดไปก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปดูอยากจะไปทอยา่า ง, งนั้นทําอะไรยังนี้ ก็เกความยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์เกิดความอึดอัดใจขึ้นมาก็เลยทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็เลยต้องเลิกนั่งไปสาเหตุก็คืออยู่ที่สติที่มีกําลังน้อยแต่ถ้ามีสติที่มีกําลังมากไม่เผลอเลยนั่งสมาธิห้านาทีก็สงบได้ให้สติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธห้านาทีไม่ไม่ไม่ขาดตอนไม่ไม่ไปคิดอะไรเลย พราะ้าสมาจิตกระดิ่งก็สงบได้หรือดูลงก็ได้เหมือนกันอาจารย์ครับตอนที่พระอาจารย์ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนี้ใช้เวลานานกี่วัวนถึงจะได้สมาธินะครับอาจารย์คือเราก็ไม่ได้จดจําคือทั้งหน้าที่เราฝึกสมาธิแล้วจิตมันรวมมันสงบนี้มันก็ไม่นานนะเออหัดนั่งใหม่ๆ แล้วมันนั่งไปแล้วสภาพมันก็อาการเจ็บตามร่างกายแั้วก็เราชุกคิดกัดอุบายขึ้นมา ว, ว่าเราต้องใช้อะไรแทนดวงลมนะดวงลมไม่อยู่ก็ดมาถึงการเท่องเกิเมาท่องคาว่าอนิจจ่าอนิจออนจ่าไปอยู่สักพักไม่นานมันก็จิตก็นิ่งสงบขึ้นมาแล้วก็เฉยว้กับความเจ็บใหอความเจ็บตัวนั้นหายไปเลยก็ได้มันก็เลยเกิดความรู้สึกปลประหลาดมาสัจจใจว่าใจของเราที่ดิน ที่ทุกข์ที่เครียดอยู่พอได้ใช้คำอะไรกันสักระยะหนึ่งมันก็สงบแล้วก็หายเคยรียดพิกหน้า ม, มันเปน็นนังเือไปเลยพอมันได้สัมผัสความความแบบนั้นแล้วก็กลายความยินดีเป็นความพอใจอยากจะนั่งบ่อยๆให้มากขึ้นในขณะนั้นยังทำงานอยู่นะที่มันก็เลยเวลานั่งสมาธิกับเวลาทำงานมันก็เลยรู้ว่ามันสวนทางกัน เวลาทำงานก็ต้องใช้ความคิดพอมานั่งสมาธิเราต้องการหยุดความคิดมันก็เลยไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ก็เลยรู้ว่าถ้าอยากจะให้มันคืบหน้าทางสมาธินี้ต้องหยุดทํางานถ้าเราก็คำนวณอยู่ทรัพย์สินที่เราไม่อยู่เราเท่าพอจะอยู่ได้ทักปีหนึ่งถ้าเราอยู่อย่างประหยัดกินข้าวมพื่อเดียวเพราะได้ศึกษามา ว, ว่า น, นปฏิบัติไม่ต้องกินมากกินเพื่อเดียวพพออยู่ได้ แล้ก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปสิยงกลินอะไรต่างๆก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเงินใช้ไปกับค่าอาหารเมื่อวันละเมือ่อยุคสมัยนั้นก็กินกว๋วยเตี๋ยวชามข้าวผัดจานหนึ่งก็พอนะห้าบาทกว๋วยเตี๋ยวสองบาทเก้าสามบาทสิบบาทห้าบาทนะ <laughs> วันละห้าบาทก็อยู่ได้คนระับ ก็เลยขังตัวเองอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่มีน้ำบางครั้งก็ต้องออกไปข้างนอกบางที่มันอึดอัดมันทนไม่ไหวก็มีก็ออกไปก็ไปหาที่ที่สงบตามภูมิต่างๆพออยู่แถวพัทยามันมีชายหาดที่เงียบๆบางทีเราก็แอบไปหาชายหาดที่เงียบๆที่ไม่มีใครพุกพลาดนั่งคนเดียวนั่งริมหานั่งกลางแดดเนี่ยถ้าร้อนก็ลงไปแช่ในน้ําสักพักหนึ่งถ้าย้อนมันรูมานั่งใหม่ พอเยนเ็ยนๆก็ค่อยกลับบ้านอยู่คนเดียไม่ยุ่งกับครเ า, าแต่สติกับสมาธิอยู่เพียงนั้นะไม่สนใจกับอะไรจนสามารถควบคุมได้ติดตามลําดับและเข้าสู่ความสงบได้มากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยคิดว่าพร้อมที่จะไปบวชได้หลังจากที่ตั้งใจว่าจะนองปฏิบัติดูสักปีหนึ่ง ว่าที่บางงบประมาณเงินที่มีอยู่นี้ใช้ได้แค่ปีเดียวก็หมดพอถึงสิ้นปีก็เลยต้องถามได้รู้เจ้าไปต่อถ้าจะปฏิบัติต่อก็ต้องไปบวชถ้าไม่อยากบวชก็ต้องไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงชีพถ้าไปทํางานก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติเท่าที่ควรหลังจากนั้นทางปฏิบัติก็เลยยอมไปบวชตอนต้นไม่อยากจะบวชไม่อยากจะไปอยู่วดัดไม่อยากจะไปถูกคบควบคุมเหมือนกับไปติดคุก คารวามองว่ามันเหมืนเป็นคุกตารางครับไม่ไหนไม่ได้ไไดแต่พอ ร, รู้ว่าเราสามารถคุมจิตใจไม่ให้มันอยากไปข้างนอกได้นะหรือว่าอยู่วัดได้นะเราก็เลยพร้อมที่จะไปบวช ก, ก็เลยไปหาวัดบวยชโอ้โหแล้วโชคดีได้ท่านอุปชาเป็นสมเด็จประสังคราด้วยนะครับพระอาจารย์ก็ไม่มีเจต น, นาไปหาท่านเพราะว่าไปหาพระที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด ซึ่ท่านก็เป็นพระพระที่แข็งขัดของของตำบลของของตำบลที่อยู่ครับแล้วก็ท่านก็เป็นที่นับถือเขาก็แนะนําว่าได้จะเป็นบนทถ์เป็นบสวัดนี้แต่วัดนี้ท่านก็ยากเป็นวัดปริยัติอยู่คือท่านยังเป็นวัดบ้าน ม, ม, มีพระมีภารกิจกินนิมนต์แล้วก็มีการเรียนหนังสือเรียนนธรรมแล้วก็มีการทำวัดชา ว, วัดเย็นอะไรนะเรื่องเราบอกว่าเราไม่ต้องการ การทำต้องการภาวนาอย่างเดียวเป็นการเดินคอยคุยกับท่านท่านก็นบอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องไปไปบวชกับสมเด็จที่วัดบวรเพราะมีชาวต่างประเทศเข้ามานะแล้วเขาก็บอขออนุญาตบวช ก, กับท่านแล้วท่านก็อนุญาตให้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นฉะนว่าอย่างนี้ก็เลยพุ่งครั้งแรกขึ้นได้ยินเรื่องสายครูบาอาจารย์สายหลวงปูม่มั่นยังรนรู้วิธีการแล้วออกถ้าอยากจะไปบวชไปปฏิบัติ ก็เดินไปไปหาสมเด็จก็เลยทำไมวัดบวรท่านเพิ่งไม่เคยเข้ามาก่อนไม่รู้จักใครมาก่อนครับแต่กล้าใส์ศรัทธาเมื่อใส่ว่าเราสนใจเรื่องการปฏิบัติพอพูดเรื่องปฏิบัติครไปพบกับพระนุ่งหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศแล้วท่านบอกว่าเราปฏิบัติมาได้ปีหนึ่งท่านก็ยินดีว่าจะพาไปหาสมเด็จท่านเองก็งเลยได้ไปรกาบท่านนะว่า น ใ, นให้วันอนุญาตให้บวได้เบวชเสร็จก็อยู่ที่วัดบัวประมาณเดือนครึ่งก็ไปวัดต่างบ้านตาลเพราะได้ข่าวว่ามีพระอาจารย์หลงตาลท่านไป็นวัดที่แข่งคัดมากแล้วก็มีชาวต่างประเทศไปอยู่หลายรูป ก, ก็เลยลองไปอยู่ที่นั่นดูก็เขียนหนังสือขออนุญาตไปก็ไม่ได้ไปไม่ได้เขียนไม่หาหลวงตาลเลยตรงแต่เขียนไปหากับภาพชาวต่างประเทศ ท่านปัญญาเขียนภาษาังกฤษทั้งเลยนี่เมื่อเราไปคนไทยเราเป็ น, นเราเป็นชาวต่างชาติท่านก็ไปกราบยืนลงไปว่ามีพระรูกนึงจากวัดบวนอะไรมาขออยู่ท่านก็บอกมาได้ชั่วคราวาก็เลยได้ไปกราบท่านครั้งแรกท่านก็บอกว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่ได้ชั่วคราวแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรกับเราเองเลยังไปท่านการเข้าภรษา ท่านก็จะเลือกพระ้องคไหนอยู่ได้องคไหนอยู่ไม่ได้พอมาถึงเราท่านก็บอกจาได้ไหมเราได้ตกลงกันไว้ว่าท่านอยู่ไม่ได้อยู่ในเชั่วข่าวถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านก็พูดแค่นี้แล้วท่านก็ไม่จะพูดเลยแล้ท่านก็ตอนนั้นก่อนจะเทหลบลมพระท่านพูดคำเสร็จแล้วท่ก็เทหลบลมพระไปจนกระทั่งเวลาเลิกจะลุกขึ้นมากราบพระท่านก็พูดว่าองค์นั้นนะท่าอยากจะอยู่ก็อยู่นะ ไปให้ถึงได้แบบเสี่ยงอยู่ตรงนั้นไม่ดีว่าจะไปไหนต่ออีกแต่เรามีนด้ใสมีออปชั่นอยู่ในใจอยู่แล้วจะอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปเราก็เตรีมตัวเต็มใจอยู่เวลาเราทำอะไรส่วนใหญ่แเรามักจะมีออปชั่นแบบนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเราพอเรารู้ว่าทําไปยึดมั่นถือมันแล้วไม่ได้มันจะเสียใจมาก ก็เลยไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะผิดหวังไม่อยากจะลงโทษตัวเองไม่อยากจะทุกข์เอาตามมีตามเกิดดีกว่านิสยนัยเรามันชอบเป็นอย่างนี้มันชอบยินดีตามมีตามเกิดครับมันก็เลยไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยผิดหวังกับอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นปีสองห้าหนึ่งแปดใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งแปดหมวดช่วงกุมภาสิบเก้าแล้วอยู่ที่วัดบวรจนถึงต้นเดือนเมษาก่อนวนจากปีจําได้ก็ไปอยู่ที่วัดป่ามันตา วันจากรีมัน6เมษายสึกไปก่อน 2-3 เหมือนมั้งเพราะวันจากรีเป็นวันที่มีญาติอยู่มาใส่บาตรเยอะเป็นพิเศษนก็ก็งงวันธรรมดาก็จะไม่มีคนในเมืองมาใส่กันมีแต่ชาวบ้านชาวบ้านก็ใส่บาตรที่บ้านเสร็จเขาก็ไปทํานากันไม่ก็มีใครตามมาที่วัดแต่พอวันหยุดวันวันเสาร์ที่ก็จะมีญาติโยมขับรถมาจากให้เมืองมาทําอาหาร ก็เราจำได้ว่าันนั้นเป็นวันจากไปครับนี่ของวันที่18ครับผมอยู่ไป8ปีเลยนะครับอาจารย์ชั่วคราวปีครึ่งปีครึ่งก็อยู่ไม่ไม่ทําเลยพยายามเด็กเรงานที่ที่ไม่จาเป็นจะต้องทําก็ไม่ทำแต่งานที่ต้องร่วมทําก็ทําเข้าไปส่วนใหญ่ก็อย่าอยู่คนเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะไปแล้วก็ฟังเทศน์งธรรมที่ท่านเทศน์อบรมสั่งสอน ได้อุบายแปลกๆที่ไม่เคยน้อมก่อนในวิธีการปฏิบัติครับมานก็ช่วยทําให้คืบหนมาไปตามลําดับอาจารย์ครับแล้ ว, วตอนนั้นยังใช้คําว่าอนิจจาอยู่ไหมครับตอนเข้าสมาธิครับหรือไม่ได้ใช้เลยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แลต่ใช้แต่อยูลมหายใจอย่างเดียวตอนที่จาได้ครู้สึกว่ามันสามารถที่จะเข้าได้ ตอนหลังวิธีนี่ปฏิบัติกับกับเวทนานี้ความเจ็บนี้ต้องใช้ปัญญาแทนพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนดินน้ำํำลมไฟเป็นเหมือนวัตถุร่างกายมันไม่เจ็บหรอกมันไม่ร้ว่มันเจ็บนถึงไม่ความเจ็บจะมาจากร่างกายมก็เหมือนโต๊ะเก้าอี้ที่เราตั้งไว้เนี่ยโต๊ะเก้าอี้มันก็ตั้งมาต้องงานมื่อถ้ามันเป็นร่างกายมันก็คงต้องเจ็บใช่ไหมเพราะมันก็ทําจากวัตถุเป็นธาตุดินน้ำํำลมไฟเหมือนกัน แล้วก็เปรียบเทียบว่านั่งกายก็เหมือนเป็นเหมือนเก้าวยี่ยงแล้วเขายีมันไม่เดือดร้อนแล้วเราจะไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมเจ็บเข้าไปมันเจ็บไปสอนใจได้ข้างใจมันปล่อยวางได้ปล่อยให้มันเจ็บไปเราก็ไม่ได้เป็นเราก <Yes. S 2> ็ไม <Yes. S 2> ่ได้เป็นร่างกายความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายเราเป็นเพียงแต่ผู้พิจารณาผู้รับรู้เท่านั้นเองแล้วเราไปเจ็บแทนร่างกายทํำไมก็เลยถอนใจไปถอนใจไปแล้วก็วางเฉยได้ ทบทวนนะหมายความว่าพระอาจารย์พิจารณาอย่างนั้นอยู่ในใจเลยใช่ไหมครับอาจารย์พิจารณาขณะที่มันเจ็บเลยครับผตอนที่มันเจ็บเลยมันถึงจะอยู่กับมันได้ผ่านมันได้อาจารย์ครับแล้วหลังจากได้ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองที่สามนี้จะง่ายขึ้นไหมครับอาจารย์ก็มันก็รู้วิธีแล้วมันก็ง่ายขึ้น พอรู้วิธีมันเพราะมันมันเคยปล่อยแล้วมันก็ปล่อยมันก็ไม่ยึดไม่ติดถ้ามันเป็นปัญญามันรู้ว่าต้องปล่อยต้อวางเฉยถ้าไม่ยอมเฉยก็พยายามเพิ่มกำลังสติดูลมหายใจให้มันนิ่งขึ้นเพื่อมันมีรูเบามากขึ้นเพื่อมันจะได้ปล่อยได้บางทีก็เคยเจอเคยลองครั้งหนึ่งก็คือนั่งนอปวดมาก แล้วก็ไม่สามารถพิจารณาได้กเลยเราเปลี่ยนวิธีอุบายกำหนดความเจ็บว่าเป็นเหมือนไฟกำลังเผาร่างกายอยู่กำหนดตรงจุดที่เจ็บว่าเป็นเป็นไฟแล้วค่อยลุกท่วมทั่วเป็นแล้วก็ลุกลามไปทั่วร่างกายก็นั่งเผาร่างกายเป็นเหมือนเวลาที่เขาเผาเผาศพเราจนกระทั่งเผาจนกระทั่งร่างกายนี่ฟุบลงมา มันทนว่าโดนไฟเผาเยอะข้างมันกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานมันก็ฟุบลงมาอยากท่านั่งมันก็ฟุบลงมาอยู่กลองอยู่กับพื้นในขณะนั้นจิตมันก็รู้สึกว่ามันกับร่างกายแยกกันไปเลยร่างกายนี้มือนกามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวปกติที่เราตั่งอยู่เลยเป็นพื้นนั่นเดียวกันเลยเป็นพื้นเราขึ้พื้นปกติก็เป็นพื้นนั่นเดียวกับพื้นดินที่มันตั้งอยู่ ก็เลยเห็นว่าร่างกายกับดินที่มันเป็นอันเดียวกันไปหมดส่วนจิตนี่ก็ก็สงบนิ่งเย็นสงบสงบัดแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนมันเกิดความรู้สึกมหัศจรรใจวิธีแยกกายแยกแยกใจออกจากกันมันต้องมีเวทนาต้องมีทุกข์มาปราก่อนให้เห็นเราจะต้องหาวิธีหยุดความทุกข์นั้นให้ได้ อาจารย์ครับตอนนั้นเป็นการนึกหรือว่ามันเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาเองครับอาจารย์ครับก็นึกไปคิดไปนึกไปแล้วนึกภาพขึ้นมาเองเนี่ยนนแล้นึกเราก็นึกถึงภาพนึกถึงภาพว่าร่างกายเราตอนนี้กําลังถูกไฟไหมน้ำตอนที่ก้นที่มันเจ็บที่ขาเนี่ยแล้วมันก็เริ่มลุกลามขึ้นไปต่อไปมันก็ลามเผาด้านกายท่วหัวมันเหมือนกับร่างกายนี้ถูกไอถูกเผาศพเนี่ยเป็นศพให้เขาเผา ไปมันก็ค่อยท่วมไปทั่วร่างกายเผาช่วมหัวจนกระทั่งเผาจนกรทั่งร่างกายนี้มันกลายเป็นที่เท่าไปมันก็ฟุบลงมากองอยู่กับเพื่อนตอนนั้นมันก็เลยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นอยู่กับเป็นพื้นกับเพื่นกุฏิเลยเป็นอันเดียวกันเลยแล้วกุฏินี้ก็เป็นพื้นอันเดียวกับเพื่อนดินที่ตั้งไว้อีกทีมันก็เลยเห็นว่าร่างกายกับกุฏิกับพื้นดินนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลย เป็นแผนเดียวกันส่วนจิตนี่มันก็สงบสงัดว่เวกบำเวงเองไงบาปไม่ถูกเงียบสงัดทุกอย่างรู้สึกเงียบไปหมดเลยไม่มีเสียงอะไรไม่มีอะไรธรรมดาเราจะใจเรามันมักจะมีเสียงภายในว่าไปได้นู่นไปไดนี่แต่ตอนนั้นมันนิ่งมันไม่มีอะไรเหมันว่ามันเย็นมันสบาย พอเห็นตรงนั้นเราชัดเลยว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันก็มีส่วนเนะออ่ามันก็รู้ว่ามันมันจิตกับการคนเราส่วนอย่างนี้นะแต่ก็ยังมีกิเลสอย่างอื่นที่จะต้องแก้ไาขาต่อไปอีกตามลําดั บ, บแต่ถ้าเกิดมันทุกข์กับอะไรก็ต้องพนะิจารณาเรื่องนั้นไปเป็นเรื่องไม่ออกไป มันก็ไม่มีเรื่องอะไที่ให้ทุกข์อีกต่อไปมันก็มันก็มันก็หมดงานต้องทําถ้าไม่มีทุกข์อยู่มันก็ไม่มีงานต้องทาถ้ายังมีทุกข์อยู่มันต้องพิจารณาต่อไปที่ที่รู้สึกว่าหลุดหลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วนี่ก็คือภาวะอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์คล้ายๆอย่างนั้นแบบนั้นนะมันเวลามันหลุดที่แต่ได้ขั้นนห้มันก็ว่ามันเข้าสู่ความสงบ ความว่างความเย็นความสบายเวลาผ่านทุกข์ไม่อดั้นนั้นได้ทุกข์แต่ละขั้นที่ฟังนะปิติครับอาจาขอบคุณครับมนต้องอาศัยสตินี้เป็นตัวเริ่มต้นพระเจ้าบอกสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างที่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ขวา่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปา่า ไอ้เท้าเช้านี่ครอบสัตว์ทุกชนินได้หมดเลยครับทำทั้งหมดนี่สตินี่สําคัญที่สุดตลอกต้องเริ่มต้องเริ่มดิสติก่อนถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เป็นปัญญาเป็นเป็นปัญญาก็ไม่ใช่เป็นภาวนาไมยะปัญญาก็ไม่พุติพ้นก็จะเหมือนพ้นไม่ได้ยังต้องพยายามฝึกสติให้มากนั่นปฏิบัติ เราจะปฏิบัติจะยังสติได้มากก็ต้องไม่มีงานางเงินต้องทำเป็นนัก บ, บวชถ้าตกงานไม่มีงานทำนอยู่เฉยๆจะจะิังสติทั้งวันสลับกับการนั่นสมาธิแต่ไม่ช้ากันเลยเพอสติมันมากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้กลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ มีคนอาจจะยังไม่ทันฟังแต่ถามมา่ก่อนว่าการรวมจิตให้นิ่งในสมาธิจะกําหนดอย่างไรอะครับอาจารย์ก็กำหนดสติเไงก็อยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วอยู่กับลมาหายใจเข้าออกแล้วแต่ว่าเราจะสามารถใช้ใช้กรรมาฐานแบบไหนที่เหมาะกับเราที่เราชอบบางคนชอบพุโทโธไปคําพุโทโธพุธโทโธไปบางคนชอบดูลงกล็ดูลงไป บางทีถ้าจิตยังฟุ้งมากดึงลมก็ไม่ได้พูดท้องก็ไม่ได้กใจจะต้องอาศาัยการท่องบทสวดมนตไปก่อนก็ได้สมัยที่เราฝึกสมาธิใหม่ๆนั่งสมาธิบางทีนั่งไม่ได้นานมันก็จะทนไม่ไม่ ไ, มไมหวแล้วก็เลยมานั่งแล้วท่องสวดพระสูตรปติ ป, ต ป, ท, ปทานสูตรไปใช้เวลาประมาณสามสิบสี่สิบนาทีท่องไปท่องไปพอท่องเสรจ็จแล้วใจมันก็เย็นเบ า, บาสบาย นั่งต่อไปได้นมนมต่อได้ระหว่างที่เดินออกกาลังกายจะบริกรรมพุโทโธไปด้วยได้ไหมครับก็ได้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึง่งดูจำนวการเดินดูท่านเดินของเราก็ได้เรลาเราก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเวลาเราออกกาลังกายแล้วก็ดูนั่นกายเราไปก็ได้เนื่องจะพุโทโธไปด้วยก็ได้ หลายคนจิตรวมเห็นใจเห็นกายเป็นคนละส่วนแล้วคลายตัวออกมากิเลสยังมีอยู่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าถ้ามันยากด้วยสติมันก็ยังมีอยู่เพราะสตินี้นเป็นเพียงแต่ไปกดกิเลสไม่ให้ทำงานชั่วคราวแต่ถ้าแยากได้ด้วยปัญญากิเลสมันก็จะหมดไปดังนั้นเบื้องต้นเราก็แยกด้วยสติก่อนทำจิตให้หน่มแล้วพอขั้นที่สองพอเรา ออกจากสมาธิมาจิตกับกายก็มากลับมารวมกันเราก็ต้องคอยเตื่นใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราอยากไปทุกข์กับมันมันจะเป็นอะไรถ้าเราช่วยมันไม่ได้ก็กต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราใจปัญญาเราต้องมีทุกข์ถึงจะรู้ว่าปล่อยได้จริงหรือเปล่าเช่นไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็ขั้นที่สี่ท่านสุดท้าย ว่าใจก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเอาปัญญามาสอนใจว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมรับความจริงตันนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากให้มันอยู่ต่อไปไม่อยากให้มันตายก็จะเกิดความทุกข์เพราะความอยากอยากอยู่ความอยากไม่ตายเป็นภาวะวิภาวะทนาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ เราจะรู้ว่าเราดับความทุกข์ได้หรนะือไม่ด้ก็ต้องมีเวลาที่กิดทุกขขึ้นมาก่อนกิดทุกขแล้วเราใช้ปัญญาหาสาเหตุว่ามันอยากอะไมันถึงทําให้ใจนี้ทุกข์ตอนนี้แล้วพิจารณาสิ่งที่เราอยากว่าเป็นตายรักได้ไหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นตายนักเราไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็ต้องยอมรับความจริง มันจะไปก็ต้องให้มันไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปใช่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันวันนี้ถ้าถ้าใช้ปัญญาแบบนี้แล้วมันจะหายขาดไปเลยมันจะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปถ้าไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปถ้าไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ไม่ป่วยมันก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปพอาะมันยอมนับด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่ามัน ท้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดามีคนคอมเมนต์บอกว่าเป็นบุญเหลือเกินครับที่ได้ฟังจากปากอาจารย์นะครับประสบการณ์นี้ไม่ไม่ค่อยได้ฟังจากครูบาอาจารย์อะไรครับอาจารย์ได้ฟังจากอาจารย์เราก็ไม่กล้าพูดถ้าหลายคนที้คุณหมอแยงมาก็เลย เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบุญเป็นปีติของพวกเราอะครับอาจารย์ครับอเป็นกำลังใจกรอนโอเ ค, อเคมันจะเป็นการอ้วนอุตรละอะไรหรือเปล่าที่คนเขาา จ, จะมองไปใ น, ในแง่นั้นมุมนั้นก็ได้เราไม่พึ่งอยากจะพูดเรื่องการปฏิบัติเท่าไหร่ของสวนตั่เราพูดแบบกลางๆดีกว่าสบายใจอย่าเอาตัวเราไปเป็นขึ้นเขียงเลยอย่าดูข้อสบวันละมีเรายังไม่มีไม่พอมันมงงซานนิดเดินประกาศได้เลย ท่นมันมีพร้อมนะครับแต่วันนี้ผมว่าทุกคนมีความปิติยินดีครับอาจารย์ครับโยมได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลด้วยศรัทธาอยากจะทราบอนิสงส์งว่ามีบุญมากน้อยแค่ไหนครับไม่มีบุญเลยแต่มิยังมีประโยชน์อยู่คนที่เอาอาวัยวะของเราไปนี่เขาได้รับประโยชน์แต่ตัวเราผู้ให้ ย, ยังไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราไม่รู้ เวลาที่เราตายไปแล้วเขาค่อยเอาร่างกายไปไปไปชำระถ้าอยากจะได้บุญก็ทําตอนที่เรายัางไม่ตายคือบริจาคอวัยวะอันใดอันหนึ่งเช่นไตข้างหนึ่งไปให้กับคนที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่มีคุณค่าถ้วคนที่รับก็ได้รับประโยชน์จากการให้เราเกิดความสุขใจเมื่อเราทําบุญใส่บาตรนี้ือบวิจากเลือดอย่างนี้ อันนี้เรามีการรับรู้อยู่ตลาดเวลยนะเร า, เเร า, เรายังไม่ตายแต่ถ้าาตายไปแนละ้วเราไม่มีการรับรู้แลนะ้วเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราที่เราบริจากนี้เขาจะไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรเราไม่รู้เราก็เร า, เร า, เ, ราเราไม่เราไ ม, ไม่มีความรู้สึกก่อนความสุขใหญ่ขึ้นมาต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดามรับสมบัติเก้าของเ ง, งินทองก็เหมือ น, นกันเก็บวินัยกรรมไว้เราก็ไม่ได้ความสุข แต่ถ้ า, าให้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราได้ความสุขอยากจะบรจากให้โรงพยาบาลก็ออกไปเลยไม่ต้องรอให้ตายแล้วเขียนพินัยกรรมไว้เพราะเดี๋ยวเวลาตายเนอาจจะมาแย่งกันมาแย่งว่าเป็นพินัยกายพินัยกรรมปลอมก็ได้ครับอะไรต่าง ๆ, ๆนี่เจตนาของเราที่อยากจะให้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้บุญนั้นต้องทําในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เรารู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรา ลแล้วเบาหัวงไปแล้วใจเราจะเกิดความอิ่นเอิบใจขึ้นมาตักบาทควรจะใส่เงินไปด้วยได้ไหมครับก็แล้วแต่อันนี้มีทั้งที่รับได้กคำรับไม่ได้คํามือก็ต้องถามพ mm hmm. ระท่านก่อนปัจจัยขอถวายปัจจัยได้ไหมถ้าท่านบอกไม่ได้ก็ไม่ให้ท่านท่านบอกได้ก็ก็ให้ท่านให้ท่านไป บางทีท่านก็บอกได้แต่ต้องฟังให้กคำลูกศิษย์ไว้บางทีท่านมีลูกศิษย์ตามมาก็ให้ฝากมาลูกศิษย์ไว้เพราะภาสมัยนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองสายสายแบบรับเงินได้กับสายไหนไม่รับรเงินไม่ได้ที่เราไม่รู้ว่าสายไหนเพราะไม่ไม่มีป้ายเขียนบอกว่าสายไหนรับเงินมาท่านถามท่านก่อนก็แล้วกันถามท่านก่อนแต่เมื่ออยากได้เพียงแต่ว่าวิธีรับของท่านอาจจะมีขั้นตอนพิเศษหน่อยเอ่ สายหนึ่งก็รับกับมือได้เลยมีสายนึงบอกต้องไปฝากลูกศิย์ไว้เก็บไว้เองไม่ได้เก็บไว้ใช้เองไม่ได้เรลาจะใช้ต้องให้ลุกสิษย์ไปจัดการให้จากคุณหนุ่มน้อยนะครับคนที่ไม่เชื่อเราผมเลยปล่อยไปเลยที่หลวงพ่อจัลันท่านบอกอย่างนั้นครับแต่พี่สาวคุณยายมีอาการถ่ายท้องเสียแต่ผมบอกคุณยายให้ปล่อยเลย แต่คุณยายน้องสาวบอกว่าปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยอย่างนี้คืนนี้ไปโรงพยาบาลแน่นอนแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์อธิบายหน่อยครับผมไม่เข้าใจครับไม่เราก็ไม่เข้าใจคําถามนะเราเมันไตต่างกังนเป็นไงยังไงห ม, มอลองคือเหมือนกับคุณหนุ่มน้อยเนี่ยอยากจะให้ปล่อยอาการเจ็บป่วยไหมครับแล้วคุณยายบอกว่าปล่อยไม่ได้ต้องพาไปโรงพยาบาลอืมครับ แสดงว่ายังไม่ปล่อยคุณจะไปยุ่กับร่างกายของคนอื่นทำไมคุณต้องปล่อยร่างกายของคุณก็พอร่างกายของคนอื่นไปสั่งเขาไม่ได้คนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาหรือ ไ, ไม่รักษาก็ได้เราแนะนําได้ว่าถ้าปล่อยแล้วมันจะสบายใจนะมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเขาไม่ปล่อยมันก็เป็นเรื่องของเขาเขายังอยากจะทุกอยู่กับร่างกายก็เป็นเรื่องของเขา แต่ข็อสำคัญเราคนจะมาดูตัวเรามากกว่าสอนตัวเราเองมากกว่าว่าเราปล่อยได้หรือไม่ถ้าเราเป็นแบบคุณยายตอนนี้เราจะบอกว่าไม่ไปรักษาได้ไหมอันนี้สำคัญกว่าเรื่องของคนอื่นไม่สำคัญมากกว่าเรื่องของเราแล้วเราก็ต้องดูว่าเราบอกคนนั้นคนนี้ได้หรือเปล่าเพราะบางทีมันเขาจะหาว่าเรามายุ่งเขานะชีวิตของเขาเขาไปยุ่งเขา ตื่นขึ้นมาตอนเช้านั่งสมาธิห้าถึงสิบนาทีทุกเชา้านั่งรู้ลมเข้าออกอย่างนี้ดีไหมครับดีนั่งข้างหน้ากว่ น, นี้ได้อยู่งดีอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงการนั่งสมาธิคือการดึงจิตไม่ให้สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เป็นการชั่วคราวใช่ไหมครับใช่ไหมสนใจกับทุกอย่างเลยใ ห, ให้อยู่กับ กรรมฐ า, านอย่างเดียวถูกใจให้อยู่กรรมฐ า, านนั่งกายจะเจ็บจะปวดน่างกายจะคันตรงนั้นทางวันนี้น่างกายจะเอเ็นไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังก็อย่าไปสนใจทิ้งนั่งกายไว้แน่ให้ใจอยู่กรรมฐ า, านมันถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปยุ่งกับเรื่องอื่นปั๊บมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าสู่ความสงบได้คุณสมพรครับ เวลาเราได้พบคนที่ถูกใจในการได้ร่วมเรียนร่วมกิจกรรมกินหลับนอนทำกิจกรรมร่วมกันแต่พอเราร่วมกิจกรรมเสร็จจบแยกย้ายกันทำไมความหน่อยเหงาคิดถึงความพันผูกมันเข้ามาแทนเสมือนการได้ไปเที่ยวเสร็จแล้วยังคิดถึงการได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบนั้นต้องแก้ยังไงดีครับกลัวจะไปหลงรักพันผูกทําให้สุขภาพจิตเสียเพราะการทําความคิดถึงครับก็ถ้าเราชอบอะไรแล้วเรามีความสุขกับสิ่งนั้นเราก็อยากจะให้มัน เป็นไานานไม่มีไม่มีวันสิ้นสุดนะใช่ไหมครับีนี้ความปัจจัยธรรความจริงของชีวิตก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้นานๆไม่มีวันสิ้นสุดวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องอยู่มันก็ต้องสิ้นสุดลงอย่างที่มีคําพูดว่างานเลี้ยงเยีมีวันสิ้นสุดนะไม่ใช่เลี้ยงกันทุกวันนะทุกวันทุกคืนเพราะไม่มีวันไหนไม่มีวันเลี้ยงึ้นมาเราก็รู้สึกเศร้าสร้อยเงให้เงาขึ้นมาทันที เขไม่มีอะไรให้เราทําให้เราเพลิดเพลินงั้นอย่าไปติดกับสิ่งเหล่านี้บอกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้นึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์เพราะมันผอมไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนถาวรคือคำหมายของคําว่าไม่เที่ยงอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่ไม่เราก็ไม่รู้พอมันหยุ ด, ดนั่นมันก็จะทําให้เราทุกข์ เพราะเราอยากให้มันไม่หยุดงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันเป็นไปะยะยอย่างยั่งยืนมีได้มีงานเลี้ยงได้แต่้ ว, manera, ว่ามันก็เป็นงานชั่วคราวนะมันอาจจะหยุดหมดวันนี้ก็ได้หรืออาจจะหมดอีกสองสามวันข้างหน้าก็ได้ให้รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวก็จะไมนค่อยเศร้าสร้อยหวายงแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่ามันจะหมดเพราะมันหมดจริงๆใจมันก็ยังเศร้าส้อยอยู่ เพราะกิเลสมันไม่ยอมมันยังอยากอยู่เราต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วเราสามารถที่หยุดกิเลสได้เพราะเราไปเจอสิ่งที่มันไม่เที่ยงพอมันผ่านไปแล้วเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยได้สมาธินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นตัวที่จะหยุดกิเลสได้อัญญาเป็นเพยงแต่บอกว่ากิเลสเป็นตัวที่เป็น เป็นปัญหาต้องหยุดตัวปัญหานี้แต่ตัวที่จะมาหยุดนี่ก็คือสมาธิเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับรักษาแบบประครับประคองใช้วิธีกําหนดรู้ลมหายใจเวลาปวดใช้ได้ดีครับรอาจารย์ในในั้นรายงานผลให้อาจารย์ฟังนะครับอ่าใช่ใช้ดมาเอาสช์รักษาใจได้แต่ร่างกายเรรักษาไม่ได้อขนาดมียาขนาดไหนมันก็ยังระงับคลางปวดไม่ได้อย่างเดิมที่ แต่เราเรับความทุกข์ใจได้ด้วยการใช้สมาธิโดยใช้ปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าปัญญาไม่มีสมาธิก็ยากยา ก, ยากต่อการที่จะทำให้ใจหายทุกข์ได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วเราใช้ปัญญามันก็จะทำให้เราหายทุกข์อย่างเด็ดขาดไปเลย กับเป็นพระอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าความฝันนี้เรานับเป็นภพภูมิหนึ่งของเราได้ไหมครับเนื่องจากฝันทุกวันครับมั น, นก็เป็นตัวอย่างของภพภูมิที่เราจะบายต่อไปถ้าฝันดีเมื่อเราก็เวลาตายไปแล้วก็จะไปไปอยู่ในสวรรค์ฝันชัมันมีแต่เรื่องที่ดีให้เราได้ฝันถ้าฝันรา้ายก็แสดงว่าเราจะต้องไปอบายมันเปนเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างหมอให้เรารู้ว่าจิตของเราจะใช้หนังเรื่องไหนนะจากที่ร่างการนี้ตายไปแล้ว ระหว่างที่นั่งสมาธิเรากําหนดอะไรครับก็แล้วแต่เราไงก็กําหนดกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ผูกใจมันมีหลาอารมณ์ด้วยกันที่ทั่วไปเขาสอนกันก็คือสอนให้กําหนดพุดโทโธพุโทโธไปหรือว่าถ้าดูโลหมายใจได้ก็ดูโลหมายใจไปถ้ายังดูลมไม่ได้ยังกําหนดพุดโทโธไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อน เป็นกล้ามเนื้อหดเกรง็งส่วนมากจะนอนทำสมาธินั่งแล้วจะสั่นและเกรง็งไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าไม่หลับก็ดีกลัวว่าถ้าอยู่ในท่านอนมันจะหลับง่ายแทนที่จะเข้าสมาธิมันจะมันจะหลับแทนแต่ท่านอยู่ในท่า น, านั่ง oh. มันก็จะไม่หลับเมื่อท่านท้ายืนนี่มันจะไม่หลับมันก็จะมันก็จะเข้าสมาธิถ้ามีสติ ด, ดีพอ สายมหานิกายกับสายธรรมยุทธถือศีลเท่ากันไหมครับและแตกต่างกันอย่างไรครับก็มีบางข้อที่ไม่เหมือนกันอที่บอกเรื่องจับเงินจับทองนี้ท่านก็สายมหานิกายนี้ท่านก็จับเงินจับทองได้นําเงินทองได้เองทา ง, ทงสายธรรมยุทธนี้ต้องฝากไว้กับลูกศิษย์ที่น่าชื่อถือได้ก็ไป็นคนเก็บไว้ให้ดูแลเงินทองเวลาจะใช้ค่อยบอกเขาให้ไปซื้อของที่เราต้องการไม่ให้ไปซื้อเอง แม่เดินเขานั่งเซเว่นแล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่แล้วก็จ่ายเงินให้กับร้านเขาี้พระอายุวิทย์เขาไม่ทำนะเขาจะมีลูกสิษถ้าขาดหรืออะไรก็บอกเขาไปให้ไปส่วนใหทางนี้ถวายพระนี้ท่านนี้เป้าหมายให้ใช้ในส ม, มณะบริโภคเพื่อในสิ่งที่ส ม, มณะควรจะบริโภคก็คือปัออจจัยสี่นี่เช่นอาหารมีแต่บาทไม่พอกินอย่างนี้ก็ ให้ไปซื้อข้าวมาเพิ่มซื้อแกงมาเพิ่มจีวรขาดไม่มีใครถวายใหม่ก็เอาไปซื้อจีวรใหม่มาใส่ได้กุฏิชำรุดต้องซ่อมแซงหรืออะไรนี่ก็สามารถเอาเงินนี่มาซ่อมแซงกุฏิได้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไวต้องเสียค่าพยาบาลก็ใช้เงินที่บกบฏจายได้อันนี้คือเจตนาของการถวายกันให้กับพระให้ใช้กับปัจจัยสี่ไม่ได้ให้ใช้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่น ไปซื้อรถเก๋งคันนู้นคันนี้อะไรมาอันนี้มันเป็นเป็น เ, นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนะนั่งสมาธิแล้วจิตสงบแต่ไปติดกับความสุขความสงบไปต่อในขั้นเจริญปัญญายังไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ เ, ออเวลาสงบเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเจริญปัญญาเรแให้ออกจากความสงบก่อนแล้วก็เริ่มสอนปัญญาให้พิจารณาอนิจจ์ จะนั่งกายของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเตือนใจให้ให้จดให้จำให้ยอมให้ยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็ลอพิสูจน์เวลาที่ร่างกายเจ็บใกล้ได้ป่วยเราทุกข์ไม่ได้ถ้าเราทุกข์แสดงว่าเรายังไม่อยากเรายังไม่อยากให้มันเจ็บเรายังอยากให้มันหายอยู่เราก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็มันเจ็บก็ยอมรับว่ามันเจ็บอยู่กับมันไป มันจะตายก็ยอมแล้วว่ามันจะต้อตายก็ยอมตายไปมันก็จะไม่ทุกอันนี้คือการเจริญปัญญาแต่เราไม่เจริญปัญญาในขณะที่เราเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิแล้วการให้นิ่งให้นิ่งไปญญานานๆเพื่อจะได้มีพลังของความสงบนี้ไว้สู้กับกิเลสต่อไปได้เวลาออกจากออกจากสมาธิมาคถามนี้ได้ อาจารย์ตอบไปแล้วครับก็ถามว่าการจับวิปัสสนาต้องออกจากสมาธิก่อนใช่ไหมครับได้เอาอจากสมาธิแล้วเย็นน้องคิดปรุงแต่งแล้วเพราะถ้าขณะ อ, นนะอยู่ในสมาธิจิตไม่คิดปรุงแต่งจิตกําลังพักอยู่อย่าไปรบ ก, กวนจิตที่กําลังพักอยู่เหมือนคนที่นอนหลับแล้วอย่าไปปลุกเขาขึ้นมาทํางานนอกถ้านอนหลับอย่าแล้วเขาตื่นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็บอกเขาช่วยไปทํานู่นทํานีน่ต่อได้ มีคนว่าร้ายเราทั้งที่ไม่เป็นความจริงอย่างนี้เขาจะบาปไหมครับเอถ้าไม่จริงก็บาปมันก็เป็นการโกหกนิสัยในชาตินี้กับชาติหน้าจะมีโอกาสเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยเนีลยพอตายไปพวกเรานิสัยก็คืออยู่ในจิตมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ไปต่อ มันเก็นิสัยไม่ไหายไปไหนเวลาที่ตายไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงนิสัยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลงในขณะที่เราไปชีวิตอยู่เราเปลี่ยนนิสัยได้คือเรากคยมีนิสัยชอบเ่ินชราแล้วเราได้ยินได้ฟังธรรมว่าการเดินชราเนี่ไม่มีประโยชน์ไม่โทษเราก็พยายามเปลี่ยนนิสัยที่เราเปลี่ยนได้ในขณะที่เราไปชีวิตอยู่แต่ในช่วงที่เราตายปุ๊บนี่นิสัยทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่มันเราเปลี่ยนไม่ได้ต้องรอไปเกิดภพหน้าชาติหน้าถึงค่อยไปเปลี่ยนได้ โลกหลังความตายมีจริงไหมครับนี่ก็เหมือนตอนที่เราน อ, นอนหลับเนี่ยเวลาร่างกายนอนหลับก็เหมือนร่างกายตายแล้วเราก็เข้าสู่แดนเนเรมิตก็แดนของความฝันเนี่ยจินเราอยู่ในอยู่ในโลกทิศโลกทิศนี่ก็อยู่ด้วยการในเนมิตในเนมิตเรื่องราวต่างๆเพา mm hmm. อันนั้อันสายอำ น, นาจของมบุญและบาปที่เราทําไว้เป็นผู้นเนรมิตเรื่องราวต่างๆ ถ้าเป็นบุญก็จะเรื่องแล้วแต่เรื่องที่ดีที่มีความสุขถ้าเป็นบาปก็จะเรื่องแล้แต่เรื่องที่เลวร้รายที่มีแต่ความทุกข์การเพ่งโทษคนอื่นแม้เขาผิดจริงแต่ทําให้จิตใจเราวุ่นวายควรทํายังไงครับเช่นเรื่องพระผู้ใหญ่กับสีการครับก็ไม่ใช่เรื่องของเราใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นแค่รร น, น, นี้ก็พอทรู้วยแล้วก็จบ ส่วนเขาจะมีจะเชื่อเขาจะรับผลกรรมอย่างไรนั่นก็ปล่อยให้เป็นใบเรื่องของตามกฎแห่งกรรมไปเวลานั่งภาวนาพิจารณาถึงอสุภะแต่ก็มีความคิดเรื่องอื่นเข้ามารู้ว่าความคิดไปที่อื่นกลับมาที่พิจารณาอสุภะใหม่จะเรียนถามว่าเวลาพิจารณาอสุภะ เกษาผมโลมาขนนักขาทันตาตะโจแบบนี้หรือให้พิจารณาอย่างเดียวครับพิจารณาเกษาผมอย่างเดียวครับได้ทั้งนั้นจะพิจารณาอาการเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาทั้งสามสิบสองอาการก็ได้เ <c oughs> ป้าหมายก็คือเราต้องการให้เห็นน้ำกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นลับเพื่อจะได้ละความอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ถ้าเห็นผมอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอก็ได้ เห็นผมก็เห็นว่าผมได้สวยขึ้นมาก็นนะแล้วเรามองลึกเข้าไปในภายใต้ผิวหนังจะถึงจะเห็นชัดถึงความไม่สวยงามของร่างกายเชเห็นโครงกระดูกเห็นอ ว, วัยวะต่างๆเห็นปอดเห็นไตเห็นตับ<ๆ>เห็นลำไส้อย่างนีถ้าโยมไม่สะดวกจะไปวัดแต่จะถือศีลอุโบสถจะต้องทําอย่างไรครับถ้าถือศีลแปดแล้วรับที่วัดครับคือศีลแปดกับศีลอุโบสถก็เหมือนกัน ต่างกันที่ว่าคำว่าอุโบสถหมายถึงคนที่ถือศีลแปดก็เลยขอสายนอนที่วัดหนึ่งเคยเขาก็ให้ไปนอนปฏิบัติธรรมที่พระอุโบสถเนั้นเองเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่เขาจะไม่มีสถานไม่มีที่แยกให้ญาติโยมมาอยู่ปฏิบัติธรรมก็เลยใครอยากจะอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็ไม่หยุด ไ, ไปค้าขึ้นในโบวถกันเพราะในโบวถจะมีกิจกรรมเหล่พาพระจะมาเทศธรรมะให้ฟังเ แ, แล้วก็นั่งสมาธิกัน เห็แลนะ้วก็เติบขึ้นมาก็มีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์กันก็เลยทํากิจกรรมทั้งหมดอยู่ในโบสถ์งานในโบสถ์เติบขึ้นมาก็ปฏิบัติในโบสถ์วขาเรียกว่าโอโบสัตสินมั น, ม, นมันเป็นจัดชื่อเนทะ่านั้นแต่ครับความจริงก็คือมันเป็นการรักษาศีลแปดเหมือนกันแต่รักษาที่ไหนรักษาที่โบสถ์ถ้ารักษาที่บ้านเราก็ต้เรียกศีลศีลแปดเป็นศีลบ้านไป ไม่ใช่อุโบสดสินแล้วก็ศีลบ้านก็ได้ด้วยศีลบ้านศีลก็ได้ครับวัตถุประสงค์ของการทำสมาธิคือทำจิตให้สงบหรือว่าเพื่อให้จิตตั้งมั่นครับทั้งสองอย่างมันเป็นดังเดียวกันจิตตั้งมั่นอยู่ในควาสมสงบไม่้อยไป้อยมา นั่งสมาธิเกิดเวทนาก็เลยค่อยๆ ย, ย่อเอวลงเพื่อต้องการผ่านเวทนาต่อจนผ่านเวทนาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกเ ร, เราไม่ต้องการที่จะไปปรับร่างกายเราต้องการปรับใจให้นับกับเวทนาจะทำอย่างไรให้มีสติเกิดความสงบมักจะเพ่งทำให้เกิดอาการปวดต้นคอบ่าไหลจะแก้อย่างไรครับ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนพยายามมีสติรู้อยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้คอยเฝ้าดูตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรกําลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกําลังกินก็กินไปกับร่างกายกําลังทํางานก็ทําไปกับร่างกายไปอย่าให้ใจไปที่อื่นอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสติพอนั่งสมาธิแล้วก็ให้มันอยู่กับพุทโธก็ได้ให้มันอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วมันก็จะสงบได้ ตัวเราทําบุญแล้วอธิษฐานจิตส่งบุญไปให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรประจําตัวของผู้อื่นได้หรือไม่ครับคือบุญูท่นีเรามากักจะเข้าใจว่าเราสามารถอุทินบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมได้แต่ให้ตําำลอถ้ามันได้แสดงไว้ดูมาท่านบอกว่าให้ไปทําบุญใส่บาตรแล้วอุทินบุญนั้นให้กับผู้ที่โนมน้าวไปแล้ว นัจะจะทําได้หรือไม่ได้ก็ไม่ไม่กล้าที่จะตอบแล้วแต่พิจารณาเอาแล้วกันอีกอย่างในบุญที่เกิดจากการปฏิบัติทำมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเหมือนเมื่อเอาบุญที่เกิดจากการใส่บาตรเืิอบริจาคเงินให้กับใครก็ได้พอเราบริจาคไปปุ๊บเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีแต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบางทีนั่งเป็นปียังไม่สงบเลยยังไม่มีความสุขใจเกิดขึ้นเลยก็จะไปเอาบุญไปไปที่ให้กับใครได้ มันยังไม่เกิดมันท่านนี้เลครับบอกว่านั่งสมาธิมาหนึ่งปีแปดเดือนแล้วนะครับเริ่มนั่งครั้งแรกนานสามสิบห้านาทีปัจจุบันระยะเวลาอย่างเท่าเดิมขออนุญาตเรียนถามว่าจะนั่งให้นานขึ้นได้อย่างไรครับก็นั่งบ่อยขึ้นนั่ให้มากขึ้นแล้วค่อยๆขยับไปทีเดีย น, นาทีสองนาทีก็ได้วันนี้สามสิบห้าพวกนี้ก็เพิ่มเป็นสาสิ มันก็พยายามเพิ่มไปส7 3เจ็ดสาแปดไปเรื่อยๆขอถามพระอาจารย์ครับผู้ที่บอกว่ามีองค์ลงที่ร่างตัวเองเป็นร่างต่างๆนี้เป็นจริงไหมครับไม่รู้เหมือนกันในศาสนาพูทธเราไม่มีไม่มีองค์ไหนมาลงให้เราอยากตื่นเช้าออกกำลังกายอยากมีรูปร่างดีไม่โป๊เพละ๊ะ ต้องฝึกยังไงให้ตื่นมีวินัยออกกําลังกายตอนเช้าก่อนไปทํางานก่อนไปใส่บาตรหรือต้องตื่นไวขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ค่อยมีวินัยต้องทําอย่างไรครับจะขอคําแนะนําครับก็มองถึงผลที่เราจะได้เนี่ยว่าถ้าเราทําแล้วเราจะได้ผลอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่ได้ผลมันก็จะทําห้เาเกิดมีความยินดีที่กระทำเราก็กําหนดเวลานอนเนี่ยสมมติว่าเราหลับกี่โมงกี่ชั่วโมง แล้วก็กำหนดเวลาไว้เอาแล้วถ้าเราต้องการมีเวลาให้กับการออกกำลั ง, งากายเราอจะต้องรอนก่อนนอนหัวค่ำหน่อยเพื่อเราจะได้มีเวลาพักผ่อนน้อยให้เต็มที่แล้ตื่นเช้าหน่อยเราไป็จะได้มีเวลาให้กับการอันนี้เราต้องวางแผนแล้วก็กําหนดเวลาแล้วก็ต้องต้องเหมือนกับตั้งสัจจะอธิษฐานเราต้องทําตามแผนที่เราวางไว้ถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานก็ไม่สามารถทําอะไรให้สำเร็จ เวลานานๆนั่งสมาธิช่วงแรกก็รู้ลมเข้าออกแต่มารู้สึกตัวอีกทีก็ผ่านมาแล้วสาสิบนาทีจึงตั้งเวลาปลุกให้ออกจากสมาธิทุกสิบถึงสิบห้านาทีเพื่อให้มีสติอยู่กับลมแบบนี้ได้ไหมครับถ้าไม่มีสติการแสดงว่าหลับลต้องตั้งนาฬิกาให้ปลุกไปมามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันนั่งแล้วมันต้องมีสติอย่างต่อเ น, นื่อง กิเลสมีระดับไหมครับแล้วมีกี่ระดับครับก็บางทีได้ยังพูดว่ามีระดับอยาบกลางละเอียดบางจะแ บ, บ่งเป็นสามนี่มันตัวไหนบ้างอย่างไงก็ไม่ไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนมีพระที่เคยศรัทธาที่บ้านจะใส่บาตรประจาําบางครั้งท่านป่วยอาพาธก็จะถวายปัจจัยท่านเพื่อที่จะไปซื้อยาหรือไปหาหมอ แบบนี้ถ้าท่านรับเงินคงจะไม่อาบัตนะครับไม่หรอกก็เล่าแต่วิธีลับผมได้นะถ้าท่านอยู่ในที่ที่รับกับมือได้ท่านก็ไม่อาบบัติถ้าที่ที่รับกับมือไม่ได้ก็อาบัตไปเวลานั่งสมาธิแล้วจะชอบห้าน้ำตาไหลตลอดเวลาจะทำอย่างไรดีครับความหาานี่มันอาจจะเกิดจากการที่เรากินอาหารมากเกินไป หรือย่าไปนั่งนั่งสมาธิตอนที่เรากินอาหารเสร็จใหม่ๆเวลาอิม่มๆแนละ้วมันก็จะง่วงนอนต้องนั่งตอนที่มันก่อนก่อนกินอาหารหนึ่งตอนที่กําลังหิวมันจะไ ม, ม, ะไม่มันจะไม่ อ, อ้ะมันจะไม่ง่วงการใส่บาตรเราต้องเอ่ยกล่าวชื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยไหมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วแต่ว่าเราจะอุทิศให้ใครล้วก็กล่าวถึงชื่อคนนั้นไป เราต้องอุทิศตอนที่เราใส่บาศเสร็จก่อนในขณะที่เราใส่บาเราไม่ต้องนึดถึงอะไรให้มีสติอยู่กับการใส่บาไม่ให้ไม่ให้ทัพพีเราไปก็ข้อกับกับบาของเ้าเป็นต้นให้ใส่ให้เรียบร้อยพอใส่บาเสร็จพระท่านผ่านไปแล้วเราก็นั่งอธิษฐานจิตใดก็ได้ว่าขอทิพย์บุญชันี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ไปไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ ถ้าเราพูดคุยกันเรื่องพระธรรมผิดวินัยเราพระธรรมผิดวินัยเราจะบาปไหมครับอ๋อพระที่ทําผิดวินัยไหมครับอก็ไปพูด<อ>ทำไมไม่ใช่เรื่องของเราเท่าไห <c oughs> าร่ก็เลยพูดเพิ่เจอว่าสิ่งที่เป็นคนเป็นประโยชน์ในการับเราถ้ า, าไม่เกี่ยวกับเราก็อย่าไปพูด พูดเรื่องสินของเราดีกว่าถ้าเราอยาะพูดเรื่องธรรมวินยัยแล้วพูดตัวเราเรื่องของตัวเราดีกว่าเรามีเรผิดสิน อ, อะไรบ้างเมื่อวาตอนนี้แล้วยังรักษาศินห้าได้หรือเปล่าหรือกาดสินข้อไหนบ้างอันนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะเราจะได้แก้ไขออกเรายังผิดสินข้อนี้อยูน่นะต่อไปนี้เราต้องพยายามเลิกเรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งในนี้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการไปวิาพากษ์วิจารณ์ วิาพาควิจารณ์ตัวเราดีกว่าเราจะได้รับประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเราเรายัางไม่ดีเราจะได้แก้ไขนะส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็แก้ไขไปส่วนไหนที่ดีเราพยายามรักษาทําให้มันดีขึ้นไปตา ม, มลำดับต่อไปถ้ารับศีลแปดตอนหน้าหิ้งพระที่บ้านแล้วปฏิบัติมัอนอยู่ที่วัดอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไม่ต้องมีพระก็ได้เพียงแต่ตั้งจิตอธิถานศจลอนีถานก็ได้ว่าวันนี้จะรักษาศีลแปด ขอให้มีสัจจะตั้งใจจะรักษาแล้วต้องรักษาให้ได้ไม่ใช่เปลี่ยนใจกลางคันพอถึงเงยน็นปั๊บเปลี่ยนก็เปลี่ยนขอเรือขอรักษาสินชั่วข้าวผมกิขขนข้าวเย็นก่อนแล้ว่อาต่อไหมนี่เรือรักษาสินสีธันอมชัยถ้าเรากำหนดหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทรได้หรือไม่ครับอาจารย์ได้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วแต่บางคนจะใช้การนับก็ได้นับหนึ่งสองสาพุโทโธครั้งหนึ่งก็หนึ่งพุโทพโธ ท, ที่สองก็สองไปก็ได้อันนี้แล้วแต่อุบายของแต่ละคนนะไม่อันนี้ไม่ได้แนะนำนะเพแต่เพว่ามีคนก็ทําใันอย่างนี้ได้ยินเข้มาเล่าให้ฟังก็ได้ได้ทั้งนั้นนะเป้าหมายเราให้มันได้ความสงบหรือไม่อันนี้สําคัญกว่า นอนฟังธรรมะแล้วหลับไปให้ได้ไหมครับแต่ก็ดีกว่าฟังอย่างอื่นคิดแบบนี้ครับไม่ได้ปัญญามากแต่ก็รู้สึกว่าจิตสงบดีครับแค่พูดอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้ปัญญามากกว่า น, นี้ก็นั่งจะดีกว่าจะได้ได้เต็มร้อยนั่งนอนฟังไปพอเราหลับส่วนไหนที่เรายังไม่ได้ยินใม่ฟังเราก็จะไม่ได้ยิน เดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโม ง, ง, ม, ง, โ ม, งมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปได้ไหมครับได้ก็จะเริ่มต้น่างน้อยขึ้นไปหามากก่อนถ้ไแม่จะเดินสามชั่วโมงสลับกับนั่งสามชั่วโมงก็ได้เห็นข่าวคราวทางพระสงฆ์ณปัจจุบันแล้วเศร้าแต่ก็ต้องปล่อยวางคิดเสียว่าเป็นกรรมของหมู่คณะสงฆ์เหล่านั้นใช่ไหมครับกรรมใครกรรมมันไม่แย่คณะสงฆ์หรอก ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคนที่ก็ไม่ได้ทำกรรมเ้าก็ไม่จะรับผลแตอย่างไรคนที่มาหลอกลวงเราเขาจะได้รับผลกรรมนั้นด้วยไหมครับอ่าก็ได้เลยก็กหลอกลวงก็ผิดศีลนั่นนี่การรู้สึกตัวคือการเจริญสติหรือเปล่าครับ ไม่ต้องรูはは้สึกอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอห่ารู้สึกตัวอยู่กับกายกับร่างกายที่เรากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้สึกอยู่กับพุทโธพุทโธไม่ใชรู้สึกตัวเฉยๆเดินที่ไม่มีอะไรเป็นตัวผูกมัดใจการนั้นเรียกว่าเรื่องวัตถิถ้ารู้สึกตัวก็ต้องรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายตลอดเวลาตอนนี้ร่างกายกำลังยืนก็เรียกว่ากำลังยืนกำลังเดินก็เรียกว่ากำลังเดิน พิจารณาโทษถึงการที่ไม่รักษาศีลห้าแบบนี้ถือว่าเป็นวิปัสนาไหมครับมันยังไม่เข้าสู่ระดับปัญญามันยังไม่ใช่วิปัสนาพี่แจเป็นการเรียนรู้ว่ามีการกระทาผิดถูกดีชั่วเป็นอย่างไรทำไมถึงฝันถึงสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเกือบทุกคืนครับแสดงว่าเขายังไม่ไปเกิดใช่ไหมแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรครับไม่หรอกแสดงว่าเราคิดถึงเขามากกว่า มายัรักเขาอยู่ก็เวลาถ้าอยากจะแก้ไขก็เวลาคิดถึงเขาก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปออกไปแล้วก็จะเลิกคิดถึงเขาได้ลบความคิดนี้ออกไปด้วยพุโทโธพุโทโธไปปฏิบัติธรรมที่วัดระหว่างอยู่วัดเป็นสต roke ค, ครับนอนโรงพยาบาลสองคืนได้เปลี่ยนที่ภาวนาใจสุขสงบดีมาก แม้กายเจ็บป่วยกลับบ้านมาสิบวันร่างกายเกือบจะเป็นปกติแล้วบุญรักษาที่ฝึกภาวนามาได้ลองซ้อมในสนามจริงครับอาจารย์วันดีได้รู้ความประโยชน์ของการศึกษากับการปฏิบัติธรรมว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อจิตใจของเราอยากทราบว่าตอนที่ป่วยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรว่าเราจะต้องตายและมีวิธีตั้งจิตใจในช่วงนั้นอย่างไรครับ ก็ลองไปลองไปทดสอบดูส <gegen violin> <warfare> ิไปให้อยู่ที่มันน่ากลัวดูที่เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะตายได้แล้วเราจะดูว่าจิตใจเราเป็นยังไงนิ่งเฉยด้ว่าตื่นเต้นตกใจถ้าตื่นเต้นตกใจเราก็ระหะเราก็กลับมาซึมาปฏิบัติสติสมาธิให้มากเรื่ปัญญาสารใจให้ตรงแต่ถ้าเรานิ่งเฉยได้เราก็ไม่ต้องทําอะไร แสดงว่าเราปกงได้แล้วเราวางแล้วเราไม่ยึดติดกันในร่างกายได้นญาติผู้ใหญ่เพิ่งเสียวันนี้ครับตอนบ่ายสามครึ่งอายุเก้าสิบท่านจะไปเกิดเลยไหมครับหรือวิญญาณยังอยู่ในโลกนี้อีกเจ็ดวันครับวิญญาณนี่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้วิญญาณของพวกเราตุกอนไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงแต่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายได้ พอทางร่างกายนี้ตายไป ว, วิญญาณก็จะไม่สามารถรับรู้เรื่องต่างๆที่ในโลกนี้ได้ช่วงนั้นวิญญาณก็จะก็จะอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็รับผลบุญผลบาปไปเป็นคนที่กลัวผีครับจะแก้ไขยอย่างไรครับก็ทั้งคาถานี่ว่าผีจริงไม่เราผีเราไม่จริง ผีจริงก็คือดวงวิญญาณต่างๆของคนตายนี่เขาไม่มาเสียเวลามาหลอกเราให้เสียเวลาเขาต้องบรรลับผลบุญทนบาปของเขาฉะนั้นผีจริงไม่หลอกผีหลอกผีผีหลอกคือเป็นผีไม่จริงก็คือใจเราหลอกตัวเราเองพอได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็เชื่อผีมาแล้วเห็นอะไรแับๆหน่อยก็ผีมาแล้วอันนี้ผีหลอกไม่ต้องกลัวอให้เรารู้ว่าเป็นการหลอก ด, ด้วยใจของเราเองคิดปรุงแต่งไปเองคิดไปเองมีใครมาบอกเราบอกนี่ผีมาแล้วไม่มีใครบอกเราใช่ไหมเราบอกของเราไปเองเราจะสามารถบรรลุโสดาบันได้ในชาตินี้ไหมครับหากเรายังสร้างสมบา ร, รมีไม่เต็มครับก็ไม่แน่นะแล้วแต่ต้องไปทดสอบดูเลยต้อเข้าห้องสอบดูยอย่างนี้เวลา เวลาเจอความเจ็บไข้ไ่้ป่วยเวลาเจอความตายแล้วดูซิว่าจะผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วก็มันรลุเป็นพระโสดาบันได้ถ้ายังทุกข์อยู่ยังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ผ่านถ้าไม่กลัวไม่ทุกข์กับความเป็นความตายความเจ็บไข้ไม่ป่วยก็แสดงว่าผ่านได้ผมขับรถบนท้องถนนพบเจอศักด์ที่เสียชีวิตตามท้องถนนจะอุทิศส่วนกุศลแห้งให้เขาเขาได้รับผลบุญนี้ไหมครับ ไม่ได้ราต้องทำบุญก่อนไม่มีบุญก็อย่าไเอาบุญมันหนาดมาอุทิศนะมดมาที่ต้นไม้มากถ้าเราใช้น้ำหมักฉีดเพื่อให้ไปอยู่ที่อื่นไม่อยากให้ตายแต่ถ้าเขาตายอย่างนี้เราบาปไหมครับถ้าเขาตายก็บาปเพราะมันเกิดจากการกระทำของเรา กำลังเจอปัญหาบริษัทลดคนครับมีพนักงานหลายคนที่ต้องออกจากงานซึ่งเราต้องทําหน้าที่ส่งข่าวและคัดเลือกคนเราควรวางใจไว้ตรงจุดใดจึงไม่รู้สึกผิดและจะมีมาตรการอื่นอีกทําให้กังวลใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกครับเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีจรรยามีเสือ่อมเป็นธรรมดาแต่เนี่เราอยู่ในเชื่อมเสือ่อมก็ต้องลดคนงานลงไป ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เกิดจากเจตนาการแกล้งใครหือให้คำทาให้ใครเสียหายเดือดร้อนมันมเป็นเรื่องของสภาวะของเศรษฐกิจไม่มีใครสามารถนหน้ามมันได้ต้องใช้กฎแห่งกรรมใครตกงานก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปใครยังอยู่ได้ก็ถือว่ายังบรรพุญของเขาอยู่ตอนใส่บาตรเราควรอุทิศบุญก่อนหรือหลังใส่บาตรครับ ต้องหลังเสร็จตอนก่อนเรายังไม่มีบุญเนะียเราต้องใส่แล้วเราเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาแล้วถึงให้อุทิศความสุขใจนี้กับโงมิญญาณได้แม่สูงอายุไม่ค่อยกินข้าวครับแต่ถ้าดื่มเบียร์จะกินข้าวอร่อยเราพาไปกินข้าวแล้วไม่เบียร์ให้ดื่มอย่างนี้บาปไหมครับ <c oughs> คือการดื่มโุลานี้ยังไม่ถือว่าบาปมันเป็นอาบายอย่างู่ถ้าดื่มแล้วไม่ไปทําบาปก็โอเค ที่ก็ไม่ให้อยากเด่มเพราะเดิมมากๆแล้วมันจะเบาแล้วที่เวลาไม่สามารถควบคุมสติได้เวลาคิดอยากจะทําบาป ก, ก็ไม่มีสติยับยั้งการเดิมนี่มันไม่บาปมันเป็นอบายมุกแต่ไม่ควรเดิมได้จะดีกว่าแต่ถ้าเดิมก็ไม่เหมือนเมาเป็นการเจริญอาหารก็แล้วไปเป็นยา ทำบุญตักบาตรที่วัดครับอาหารเยอะมากๆถ้าพระไม่ได้ฉันอาหารของเราถือว่าบุญนั้นสําเร็จแล้วไหมครับสาเร็จนะพอเราบริจาคไปแล้วเนี่ยข้าว ย, ยาวไปกินเนี่ยสำเร็จแล้วเราได้บุญแล้วพระอาจารย์เน้นย้ําบ่อยมากเกี่ยวกับความสําคัญของการโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ใช่พระอาจารย์เตือนไม่ให้ประมาทแล้วรีบฉวยโอกาสปฏิบัติธรรมให้ได้ในชาตินี้ใช่ไหมครับ ใช่เวลาเรามีน้อยนั้นจะหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วองค์การหน้าเราอาจจะไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกก็ได้การทำวิปัสสนาควรเริ่มจากอะไรครับคื อ, อต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเริ่มวิปัสสนาถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ควรจะทำทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าสวดมนต์แบบไม่ออกเสียงได้ไหมครับดีดีกวออกเสียงอีกสวดไปภายในใจได้ยิ่งดีเคยอ่านเจอว่าพระอาจารย์เป็นพระหนึ่งในสามที่ไม่เคยถูกหลงตาดุเลยจริงไหมครับก็มีบ้างท่านก็เคยดูบ้างแต่คนหืึ่งเขาคนที่พูดก็จะไม่รู้ไม่เห็นก็ได้ก็มีบ้าง ฟงศานคิดหลายเรื่องจะแก้ไขยังไงดีครับก็ใช้พุโทโธเนี่ยเวลาฟงซ่านก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปถ้าอยู่พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก็ได้สวดบรรยากาศมันจะหายฟุ่งแล้วค่อยหยุดการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเพื่อกำจัดกิเลสต้องเข้าสู่อัปปนาสมาธิใช่ไหมครับ ก็ต้องมีอัปปนาสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาเพราะถ้าไม่อัปปนาสมาธิแสดงว่าจิตยังสติยังไม่สามารถหยุดจิตได้ถ้าไม่สามารถหยุดจิตก็เท่ากับไม่สามารถหยุดกิเลสได้แต่ถ้าเข้าอัปปนาได้ก็จะหยุดจิตได้หยุดกิเลสได้เพราะมีอัปปนาสมาธิแล้วเวลาเจริญปัญญาแล้วเห็นว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสเราก็จะสามารถหยุดกิเลสได้ ไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้าครับแต่ซื้อของหรืออาหารให้แม่ไปทําบุญเป็นประจําถือว่าเราได้บุกทำบุญด้วยหรือเปล่าครั บ, บ <iert> ก็ก็ออย่างไรว่าของนี่เป็นของใครแล้วก็เป็นเป็นเป็นการบอกให้แม่ไปทําให้เราหรือว่าให้แม่ไปแล้วแม่เราไปทําอะไรก็เป็นเรื่องของแม่เช่นเราเมื่อซื้อของมาแล้วาก็ให้แม่ไปแว่าแม่ซื้อของมาฝากแม่ แสดงว่าเราทําบุญกับแม่แล้วเราได้บุญแะแล้วก็ทําแม่จะเอาไปทําบุญต่อแม่ก็จะได้บุญอีกตอนหนึ่งแต่ถ้าเราซื้อของมาแล้วเราบอบอกแม่แม่ช่วยเอาไปถวายพระให้หน่อยอย่างนี้แม่แม่จะไม่ได้บุญเราจะไม่ได้ทําบุญกับแม่เราจะทําบุญกับพระเราเพียงแต่ใช้แม่เป็นเป็นคนรับใช้เราให้ช่วยไปทําบุญให้เราหน่อยแม่จะไม่ได้ไม่ได้บุญจากการเอาของนี่ไปเป็นถวายพระให้กับเราเราเป็นคนได้บุญ น่าจะได้บุญส่วนที่รับใช้ลราเท่านั้นเองถ้าหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วหากมีสิ่งที่มากระทบแล้วจิตกระเพื่อมจะสรุปว่าสิ่งนั้นเป็นกิเลสได้ใช่ไหมครับและงานที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องให้จิตไม่กระเพื่อมกับสิ่งที่มากระทบใช่ไหมครับใช่สิ่งที่มากระทบมันไม่ใช่เป็นกิเลสแล้วมันเป็นตัวที่มากร ะ, กระต้นกิเลสที่มีใน ใ, นใจเราให้เกิดขึ้น ก็เห่นรูปใครได้ยินเสียงใครหน่ปับว่าเกิดกิเลสขึ้นมาใจาก็เพิ่มขึ้นมานี้แสดงว่าอภาพนั้นมันมากระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเป็นต้นได้ยินเสียงที่ไม่พอใจขึ้นมาแต่ตัวที่เป็นกิเลสมันอยู่ในจิตไม่ใช่สิ่งที่เข้ามากระทบเราต้องมาค้นหาว่าเป็นจิเลสตัวไห น, นพอเขาพูดคํานี้ปั๊บใจก็กระเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าเราไม่อยากจะฟังคํ า, ค า, คานี้ เนี่เราพิจารณาว่าที่เรากระเพื่อมเพราะใจเราไม่อยากไม่อยากฟังคานีคา้ความไม่อยากฟังนี้ก็เป็นกินเลสนะเราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้เราจะไปไม่อยากมันต้องทาใจเฉยๆเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปใจเราก็ยังไม่กระเพื่อมการที่เราอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นที่ทำบุญอย่างนี้เราได้บุญไหมครับได้บุญมันหาอย่างเลย มูลที่เกิดจากการบอยจากของนี้เราไม่ได้เราได้จากการแสดงความยินดีกับการทำมูญของผู้ขอเรียนถามเพิ่มเติมนะครับระยะแรกผมฝึกเรียนอนาปานะสติโดยดูลมไม่มีคําบริกรรมนานหนึ่งปีเจ็ดเดือนแต่ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้พบคลิปสอนเพิ่มเติมโดยผู้สอนเน้นใช้สอนตามแนวตามหนังสือพิสุทธิมักขออนุญาตเรียนถามว่าหลังจากเห็นนิมิต เขาบอกได้ว่าตอนนี้ยังไม่ยังยังเห็นนิมิตนะครับผู้สอนให้เปลี่ยนจากจุดโฟกัสจากลมมาที่นิมิตแทนคําถามนิมิตที่ปรากฏทุกครั้งจะเห็นเหมือนเดิมทุกครั้งใช่หรือไม่ครับเราอยู่ที่นั่งของเราเราไม่ไม่ให้ไปสนใจนินนมกนิมิตอะไรทั้งสิให้อยู่กับลมไปไปเพียงอย่างเดียวอะไรจะมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจให้กาะติดลมบรรยากาศจิตจงรวมเข้าสู่ความสงบได้ ผู้ที่จะบรรลุโสดาบันได้หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ผิดศ huh ีลเลยใช่ไหมครับก็ต้องไม่ก็ต้องไม่ผิดศีลนี่ยอาจจะบางครั <h <h <h <h ้งบางคราวอาจจะพลาดบ้างมันก็เป็นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวที่จะจะมากําหนดว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุแต่พื้นฐานก็ต้องมีศีลแล้วก็ต้องมี สมาธิแล้วถึงมีปัญญาแล้วถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ตอนร่างสมาธิตัวเองลงเรื่อยๆครับเราควรกำหนดให้กลับมาตัวตรงหรือไม่ครับไม่เลยควรปล่อยอย่าไปสนใจให้เรากลับมาที่ลมหรือที่อะไรที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายปล่อยมันเองไป ถ้าเราเหนื่อยล้าแล้วแต่เราฝืนนั่งสมาธิและสวดมนต์อย่างนี้ได้บุญไหมครับมันก็ได้ความเพียรพยายามอย่างหนึ่งจะ ไ, ได้บุญจากความสงบหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบการนั่งสมาธิลดความเครียดได้ใช่ไหมครับได้ถ้าจิตสงบแล้วความเครียดก็จะหายไป ชาตินี้อย่างน้อยจะต้องได้โสดาบันใช่ไหมครับถึงจะไม่เสียชาติเกิดครับเหมือนก็ต้องได้นิพพานเลยถึได้ไม่เสียชาติเกิดจะเป็นแค่สโสดาบันด้วยถ้ามันได้สโสดาบันมันก็จะได้นิพพานภายในระยะเวลาอันกใกล้เคียงถ้าเราไม่หยุดการปฏิบัติไปถ้าเริ่มสนใจปฏิบัติทำแล้วไม่ค่อยอยากหลับนอนกับสามีควรวางใจหรือทำอย่างไรครับ ก็เตรียมตัวอย่าะอะไรถวันถึงก็อาจจะอยาแล้วก็จะแอบไปมีอะไรข้าง น, นอกบ้านก็ได้การที่คารวาสได้สอนทำคาราวาส ด, ด้วยกันอย่างนี้ถือว่าได้บุญไหมครับการให้ธรรมะก็เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งจะจะเป็นใครก็ตามขอให้มันเป็นทำแท้ก็แล้วกั น, นถ้าเป็นทำปลอมมัน ก, มนก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ท่านำแท้ต้องเกิดจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองแสดงทำแท้ได้แล้วนันก็ยังเป็นธรรมเทียมอยู่ธรรมที่เกิดจากจินตนาการซึ่งอาจจะเป็นไม่ได้เป็นประโยชน์บ้างเท่าที่ควร เวลาที่นั่งกรรมฐานแล้วทุกอย่างนิ่งลมหายใจเบาบางลงจนเหมือนไม่หายใจอาการแบบนี้ทําให้ตกใจกลัวแล้วถอนออกมาถามว่าถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นอีกจะต้องทําอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจเบาว่าม้วงมันเบาไปไม่ตายไม่ต้องกลัวอย่าเกิดความตายอย่าเกิดขึ้นไม่แต่เราหายใจหายไปก็ไม่ต้องกลัวมันเพียงแต่มันละเอียดจนเราไม่สามารถรับรู้มันได้ทั้งเองแต่มันไม่ตาย ให้รู้เฉยๆอย่าไปตกใจเพราะจิตกาลังจะเข้าสู่ความสงบถ้าตกใจก็ถอนออกมาถอยออกมามันจะไม่สามารถก้าว้าต่อไปได้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่เกิดมาในท้องเดียวกันชาติต่อๆไปจะได้เจอกันอีกไหมครับแล้แต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ตแต่ปัจจัย การยอมรับด้วยปัญญาไม่ต้องมีสมาธิับ้การยอมรับด้วยปัญญาได้ต้องมีสมาธิขนาดไหนครับขบอัปปนาสมาธิหยุดความห ย, หยุดกิเลสที่ต่อต้านที่ไม่ยอมรับความจริงได้ถ้ายังไม่ถึงอัปปนาสมาธิกิเลสยังต่อต้านได้ย่ังไม่ยอมรับตามความเห็นของปัญญายังไม่ยอมรัไม่เทียมยไม่ยอมรับว่าไม่ใช่ตัวเรา อาจารย์มีคอมเมนต์ลักษณะนี้เยอะเลยนะครับอกิ่มใจมากครับวันนี้จะตั้งใจฝึกสติทําสมาธิให้มากขึ้นนะครับสติสําคัญที่สุดปัญญาฝึกสติก่อนยังไปกังวลเรื่องปัญญาเลยปัญญาตอนนี้เราก็มีรู้มากแล้วอ่านหนังสือม า, มากฟังฟังทำม า, มากแนะแต่ปัญญายังไม่สามารถเอามากํากจัดความทุกข์ได้เลยเพราะเราขาดสมาธิ แล้วการยังมีสมาธิเราก็ต้องมีสติเท่านั้นพยายามฝึกสติอย่างเดียวก่อนเถิดจะมีนยครับจะคอมเมนต์อย่างงี้ครับกับเท้าท้าปิติที่ได้ยินได้ฟังนะครับพระอาจารย์เยอะเลยครับวันนี้ถ้ายังไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมจากหนังสือเข้าสู่แดนนิพพานฟังธรรมจากพระอาจารย์และนั่งสมาธิตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์หมครับ ไม่เหมื อ, อนกันนะแล้วแต่กรรมถ้าบุญมากกับบาปก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกับบุญก็ไปอายกรรมเก่าที่ทำไม่ดีไว้เมื่อบรรลุธรรมแล้วกรรมเก่าจะส่งผลไหมครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังส่งผลอยู่ การหมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์จำเป็นต้องมีฌานไหมครับหรือสมาธิตามธรรมชาติได้ครับก็ฌานน่ะ ก, ก็คือสมาธินัน้งแต่ฌานสี่ขึ้นไปรูปฌานสี่ขึ้นไปขับรถชนสุนัขที่วิ่งตัดหน้ารถทําให้สุนัขเสียชีวิตอย่างนี้เป็นบาปมากไหมครับไม่เป็นเจตนาไม่บาปมันไม่ตั้งใจ เมื่อเจริญสติต่อเนื่องพอจะนอนก็ภาวนาพุทเข้าพุทออกโทปกติเวลานอนถ้ามีความฝันเราก็เข้าไปอยู่ในเรื่องราวของความฝันแต่เมื่อเจริญสติต่อเนื่องมันมีตัวรู้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งบอกว่าคิดฟุ้งซ่านมีตัวที่เห็นตัวรู้กับตัวที่เตือนว่าคิดฟุ้งซ่านโดยความคิดเรื่องราวยังไม่เกิดรู้สึกว่าทั้งสามตัวที่เตือนที่รู้และที่เห็นไม่ใช่ตัวเราสักตัวนี่คือรู้โดยไม่คิดหรือเปล่าครับ ก็ความการรู้กับความคิดมันเป็นคนละตัวกันเนี่ยถ้าเรารู้ความคิดเหล่านี้ก็แสดงว่าเรามีสติรู้อยู่กับความคิดเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเรากลองคิดอะไรก็ได้สติปัฏฐานต้องมีสติรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมครับชื่อสติปัฏฐานนี่ก็เป็นการฝึกสามขั้นในการในในพะสูจน์นะ ขั้นแรกฝึกสติให้มันสติแล้วเขาอยู่กับกรรมฐานอยู่กับร่างกายอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจในี่เรียกว่าการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วไปเจริญปัญญาต่อเวลานั่งสมาธิแรกๆก็นั่งหลังตรงต่อมามักจะหลังค่อมเรื่อยๆและเอ็นไปมาจะแก้อย่างไรครับไม่ต้องแ ก, อก้เวลานั่งสมาธิเราควบคุมบังคับร่างกายไม่ไนดะ้ เราเรามีหน้าที่ที่ควบคุมใจเท่านั้นเองไม่ให้มันคิดเมื่อนั่งเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายให้สนใจอยู่ที่เรื่องจิตว่ามันจะอยู่กับพุโทโธได้หรือไม่อยู่กับลมหายใจได้หรือไม่พยายามดึงมันกลับมาที่พุโทโธนึกดึงมันกลับมาที่ลมหายใจแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นเครื่องผูกใจโทระจิต มีจริงไหมครับยังสงสัยว่าตัวเองได้เพราะว่าใช้เองได้บ่อยๆครับก็เป็นความสามารถพิเศษของจิตอย่างหนึ่งก็คือสามารถติดต่อกับจิตของจิตโนมือนได้เรื่องารบางครัก็สามารถอ่าน จ, จิตใจของผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็ น, นอภญญยา มีคนเขาผิดหวังในชีวิตไม่อยากที่จะมีชีวิตยอยู่ต้องการฆ่าตัวตายมีวิธีแนะนําเขาอย่างไรได้บ้างครับถ้าไม่รู้อย่าไปแนะนาหขาเลยการที่เราได้ฟังธรรมร่วมกันกับหมู่คนกลุ่มนั้นเหมือนกับว่าเราเคยทําบุญร่วมกันมาหรือเปล่าครับไม่แน่นอนไม่ไม่จะเป็นไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นเหตุ กับพระอาจารย์บอกวิธีง่ายๆที่จะละสังโยชน์สามเพื่อผ่านด่านเป็นพระโสดาบันด้วยครับก็ละร่างกายให้ได้ก่อนเไงปล่อยวางร่างกายเยาวให้มันเจ็บบยาวให้มันตายพอจะละสังยชน์เหล็กสองตัวก็จะละตามมาโดยอัตโนมัติมันมาเป็นพวงมาด้วยกันพอมีร่งตายเห็นธรรมเห็นอนิยสัสสัจสีเห็นด้วยปัญญามันก็จะปล่อยวางร่างกายได้ มันก็จะเห็นธรรมเห็นผู้ได้เห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าพูดได้จะเห็นธรรมเห็นพระเจ้าวก็คือผู้ศรีปเดิมศรีปฏิบัติชอบก็คือพระโสดามันมันก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะเห็นว่าการทำบาสนี้จะทำให้ใจทุกข์มันก็จะไม่ทำบาปอีกต่อไปอาริยบุคคลทุกข่านจะไม่ทำบาปจะไม่ทำพิธีไปน้างบาปหรือว่าพิธีน่ะทำให้ใจเ้าไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปทำบาป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 จะแก้อย่างไรครับอาการหลับนี่มันมีหลายสาเหตุด้วยกันอันหนึ่งก็คือกินอาหารมากเกินไปโดยเฉพาะเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วมานั่งสมาธินี่มันจะหลับง่ายฉะนั้นอย่าเพิ่งไปนั่งสมาธิตอนที่เรากินอาหารเสร็จใหม่ๆให้เดินจงกรมแทนจนกว่าควา ม, วามอิ่มมันจะหายไปแล้วเราค่อยมานั่งสมาธิถ้านั่งยังหลับอยู่ก็เราก็ต้องลดการบริโภคอาหารให้น้อยลง อาจจาะกินมื้อเดียวอย่างเนี้อย่างพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะกินมื้อเดียวกันมันก็จะช่วยแก้การว่องว่องว่องนอนได้ถ้ายังอง่วงเยู่อวันนี้ก็ทํางไปนั่งอยู่ในที่มันน่ากลัวไปนั่งในป่าช้าบ้างไปนั่งในป่าเปลี่ยวบ้างอาการกลัวมันก็จะหายอาการง่วงนอนมันก็จะหายไปตอนพระอาจารย์ ภาวนาบวชอยู่มีความคิดถึงหรือเป็นห่วงโยมบิดามารดาไหมครับอาจารย์เออตอนนั้นไม่ได้คิดถึงใครนะเขาคิด ว, ว่าทุกคนน้องตายเลยแล้วคิดเลยมันเห็นมันคิดเรื่องของคนอย่างนี้ตั้งแต่เราเห็นศพครั้งแรกนะอันดัต้นๆยึดสิบสองขวบนะเห็นเพื่อนนักเรียนที่เดียนรงนี้ด้วยกันจมน้ําตายแล้วเขาไปงานศพเขาเขาไปคิดเขาก็เลยเปิดเปิดเปิดฟ้าร้งให้ดูศพไปิดคารวาสศพ พอเห็นสภาพเราก็คิดถึงคนอื่นว่าทุกคนที่เกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันก็เลยไม่ไปคิดถึงเรื่องคนอื่นเพราะว่าในสุดเาก็ต้องตายอย่างนี้เราก็ต้องตายเขาก็ต้องตายเก็เลยไม่มีใครจะเป็นที่ต้องไปคิดอะไรกังวลอะไรเราก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความผูกพันกับใครเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมานาะนสเตตจะช่วยเราตัดความความผูกพันได้อย่างดีเลย เคยห่วงคนนั้นเคยห่วงคนนี้พอคิดถึงความตายของเขาแล้วปบเนี้ยันก็ไ่องจะไปห่วงทำไมให้มันเสียเวลาห่วงก็แก้ความตายเขาไม่ได้หยุดความตายก็ไม่ได้อยู่ดีเมื่อถึงเวลาเขาต้องตายเขาก็ต้องตายเมื่อเราถึงเวลาต้องตายเราก็ต้องตายก็เลยไม่เป็นไม่เป็นเป็นประเด็นสําคัญเลยประเด็นสำคัญอยู่ที่การทําควบคุมจิตให้สมงบให้ดับกิเลสให้ได้ที่นั่นที่เป็นจุดจุดสําคัญของการปฏิบัติ เราสามารถที่จะถอดกายทิพย์ไปไหนมาไหนได้จริงไหมครับก็เวลาเข้าสมาธิถ้าเรามีอพิญญาเราก็สามารถไปไปพบกับกายทิพย์ในในในพบต่างๆได้นะเ๋ะพวกเปรพวกผีได้พวกไปนั้กไปสวรรค์ได้ต้องมีอภินญา เคยได้อารมณ์นี้นั่งสมาธิแล้วคําบริกรรมพุทโธหายลมหายใจหายมีความสุขมากโล่งว่างงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีความสุขมากเคยได้ยินมาว่าถ้าเราอยากได้อารมณ์นี้เราจะไม่ได้อีกใช่ไหมครับถ้าอยากมันจะไม่ได้ต้องนั่งแบบต้องต้องทําให้มันเกิดด้วยวิธีนั่งที่ถูกต้องแล้ว เ, เคยนั่งวิธีไหนที่ทําให้มันโล่งว่างแล้วเราทาวิธีนั้นต่อไป ได้ฟังพระอาจารย์กล่าวถึงอัปนาสมาธิหยุดกิเลสนี้ในทุกอิรยาบดคือยืนเดินนั่งนอนลืมตาเลยหรือครับคืออัปนาสมาธิมันจะได้ตอนที่เราเข้าสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมานี้กําลังของอัปนาสมาธิยังมีค้างอยู่ในใจอยู่แต่มันจะค่อยๆลดนล้อยถอยลงไปเรื่อยๆที่พอมันหมดกําลังลเราก็ต้องกลับเข้าไปเติมใหม่เหมือนเติมน้ำมนันรถ เวเราเติมเราแวะที่ปัม๊มล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังแล้เราจะมีน้ำมันสามารถพาให้ถับขึ้่อนรยนตไปได้ในระยะเพรน้ำมันใกล้จะหมดแล้วก็ต้องเข้าไปเติมใหม่อุเบกขาก็คือสิ่งที่เราจะได้กำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้แต่มันจะค่อยๆนวดน้อยถอยลงไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเพราะเรารู้ว่าเราไม่มีอุเบกขาที่จะหยุดตันท้าความอยากได้หยุดจิตได้เราก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ ไปเติโเมโมเดลคำมาผมตายแล้วไปใช้กรรมก่อนเกิดใหม่แต่ไม่สามารถจำเรื่องในชาติก่อนและสมัยนี้มีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์จึงเน้นการใช้ชีวิตให้สนุกควรจะอธิบายยังไงให้เขาเชื่อว่ากรรมที่ทำจะสมผลไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าครับมันเลยก็ไมพูดกับคนหูหนวกตาบอดเขาไม่สนใจหรอก ให้เขามาถามเราก่อนดนีกว่าแล้วเราคา่อยอธิบายก็้เาฟังถ้าก็ไม่สนใจไม่พูดก็เสียเวลาเปล่าๆเขาจะหาว่าเราบ้ามากกว่าเขาหาจจะว่าเรามอมง่ายก็ได้ใ น, น, นเรื่องอ่าเนี่เราต้องจะพูดกับใครนี่เราต้องดูว่าเขาเขาอยากจะ ร, รู้ให้ถ้าเขาอยากจะรู้เราพูดไปตามที่เราเรียนศึกษาได้เข้าใจไป การภาวนาพุโทโธต้องกําหนดจิตเพ่งลงไปในร่างกายไหมครับไม่ให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแต่เราทำอะไรเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเรากำลังทำอะไรเช่นเราพุโทโธไปเดินไปพุโทโธไปแล้วต้องรู้ว่าเราต้องเดินเดินไปเหยียบใครหรือเปล่าไปชนใครหรือเปล่าด้วยดูทั้งสองอย่างถ้าร่างกายเป็นการเคลื่อนไหวแต่ถ้าร่างกายนั่งเฉยๆก็ไม่ต้องดูร่างกายอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้ ความฝันในบางครั้งบางเรื่องมันกลับมาเป็นเรื่องจริงมันเกี่ยวกันยังไงครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณแม่ใกล้จะวาระสุดท้ายครับผู้ที่เป็นลูกควรทําอย่างไรให้ท่านได้รับบุญกุศลครับว่าทำอะไรไม่ได้นะว่าบุญกุศลท่านต้องท่านต้องเป็นผู้ทําเองในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ถ้าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วนี่เราก็สามารถทําบุญส่งไปให้ท่านได้บ้างแต่ไม่มากเท่ากับบุญที่ท่านทําเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ดังนั้นถ้าท่านสามารถทําบุญได้ก็ชวนให้ท่านไปทําบุญแต่มันต้องเกิดจากความต้องการจะทําบุญของท่านเองแล้วทำไปของของท่านเองถึงจะได้บุญตอนนั่งสมาธิรอด นั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแบบนี้ได้หรือไม่หรือว่าให้พุทธโทไปเรื่อยๆครับได้อย่างไนอย่างนั่น แ, แต่แล้วแต่เราจะพอใจแล้วก็ดูที่ผลว่าสงบหรือไม่สงบคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับการดูลมหายใจกับการภาวนาพุทธโทจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างกันนะก็เป็นวิธี ต่างกันที่วิธีคือ้ารที่จะดูงลมก็เราก็อยู่กับพุโทโธไปหือถ้าเราดูงลมแล้วเราเราก็ไม่อยู่กับพุโทโธก็ท่านนีน้เป็นเป็นเป็นกรรมฐานเป็นเป็นหลักยึดของใจจากพุโทโธมาเป็นลมหายใจแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกันเป็นเป็นหลักยึดจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้ขอโอกาสการพาจารย์ครับวันนี้ มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ7 3 7ในยู7 4 8ในคลับ8ในทิกตอก4 6 1นะครับรวม 1,954 คนนะครับพระอาจารย์ตอบคำถามไป104คำถามครับได้อ่านคำถามแรกเวลา20น26นครับผมก็ยินดีกับทุกท่านที่มาเริ่มฟังหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย สำหรับคืนนี้ก็คิดว่าการสัมนาทรรมก็พอสองวนเก็บเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเทอรสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุจัดเข้างาใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพร กขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ